พระหันนั่นดีพอแล้วทานวัดศีลวัดภาวนาวัดทำ บ, บุญสมบูรณ์เต็มแล้วแต่พวกเรามันยังไม่เต็มจึงได้ทําอยู่ถ้ามันเต็มแล้วกิเลสก็มาใกล้ไม่ได้ที่กิเลสมันมาใกล้ได้ก็พระผลทานผลศีลผลภาวนายังไม่เต็มกิเลสมันก็มาใกล้ได้นะั่มันก็มาต่อสู้ถ้าผลทานผลศีลผลภาวนา แสงแกร่งแล้วกิเลกก็มาใกล้ไม่ได้โรคจะมาใกล้ได้ก็เพราะเรามีตหนีเหนียวแน่นอยู่โกรธจะมาใกล้ได้อยู่ก็เพราะเรายังไม่เห็นโทษในโกรธหลงจะมาใกล้ได้ก็เพราะเรายังไม่เห็นโทษในหลงถ้าเราเห็นโทษในโรคในโกรธในหลงเต็มแล้วก็คือบุญของเราเต็มแล้วบาปก็ไม่มาใกล้ทีนี น้ำสำหรับดับ ด, บดับไฟธารวัตศีลวัตภาวนาวัตสำหรับดับไฟกิเลสให้เบาวางไเหืแห้งหายไปผู้มีทานมีศีลมีภาวนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทรงอยู่ที่หัวใจถึงแม้ว่าจะมีกิเลสอยู่ก็มีที่พอที่จะดูกันได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วดูกันไม่ได้เลย ดูคนก็ดูศีลดูธรรมดูศีลดูธรรมก็คือดูคนก็คือดูใจมีความหมายอันเดียวกันเครื่องนุ่งห่มภายนอกปกปิดร่างกายเครื่องนุ่งห่มจิตใจก็คือศีลธรรมเท่านั้นยารักษาโรคภายนอกก็คื อ, อยาที่เป็นวัตถุนิยม ส่วนยารักษาจิตรักษาใจก็คืออุดมคติคือละชั่วทำดีกับละบาปบำเพ็ญบุญมีความหมายอันเดียวกันดียังไม่พอจึงได้พยายามทำดีถ้าดีพอแล้วก็ไม่ต้องพยายามชั่วยังละไม่พอจึงได้พยายามละชั่วแล้วละชั่วตอนไหนความดีตอนนั้นก็มาหา กิเลสของเรามีมากไหมนัติตัณหาสมานัทีแม่น้าเสมอตัณหาไหมือนตัณหามันมาจากทางไหนมาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางธรมมารมมาทางตาทะเยอทยานในตา รักสวยรักงามไม่จกสิ้นเรียกรูปะตังหาทายอทยาในเสียงไพเราะสนะโสดเสียงร้องเพลงเสียงรำเป็นต้นเสียงทั้งเสียงเทศไม่ได้ว่านี่เรียกว่าสัพท์ตัญหาทายอทยาในทางกลิ่นที่มากระทบจมูกเคล่นกลิ่นหอมหวนเป็นต้น กว่กาคาระตัญหาถ้าได้สมประสกติดอยู่ถ้าไม่ได้สมประสงค์ก็โกรธนะอันไหนก็เหมือนกันถ้าเยอทยานในรถก็เรียกว่าระสะตัญหาถ้าเยอทยานในโผฏฐะพะก็เรียกว่าโผฏฐะพะตัญหา ท่าเยือทยานในธรรมารมฺมธรรมารมคืออะไรคือเรื่องนิทานของตาหูจมูกเลิ่นกายใจที่ล่วงไปแล้วที่ยังไม่มาถึงที่เคยได้ประสบพบเห็นเรียกว่าธรรมารมอันนี้เราเรียกเอามาธรรมารมที่เป็นอดีตบ้างที่เป็นอนาคตบ้างที่เป็นปัจจุบันบ้าง เหตุนั้นท่านจึงวัญติว่ารูปะตัณหาสัทธะตัณหาคันธะตัณหารสะตัณหาโหพภะตัณหาธรรมะตัณหาแม่น้มเสมอตัณหาไม่มีที่ไหลหลังมามหาสมุทรทะเลย่อมไม่มากเท่าตัณหามันมาด้วยอารมณ์ของเราที่หลังไหลมาในอารมณ์ทั้งภวงเข้ามาหาปัญญาจิตรานเหตุแค่นั้น พระอริยเจ้าท่านจึงระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้ปฏิบัติไม่ให้ยินดียินไายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงลมกลิ่นริมรถูกต้อพัฒพระด้วยธรรมารมด้วยใจเป็นต้นพภชเนมตันยูตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่มากไ้น้อยยังอยู่อีก4ีห้าคำจะอิม่มให้หยุดซะกินน้า ม, มันจะอิ่มดอกชาคนยานโยค ประกอบความเพียรเพื่อจะชำระใจของตนให้หมดจดไม่เห็นแก่หลับมากนะักคือวันหนึ่งคืนหนึ่งนอนประมาณอย่างมากก็สีชั่วโมงพอแล้วหลับที่ไม่หลับไม่ต้องว่าแต่แก่มาแล้วอย่างนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งสองชั่วโมงก็ทั่งยาก และอีกอย่างหนึ่งระ ว, รใใรงวรังใจในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดระวังใจในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความคัดเคืงระวังใจในอารมณ์ในเป็นที่ตั้งแห่งความหลงระวังใจในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาพระบรมศาสดาบอกวัดสิ่งไหนไม่บอกไม่มีเลยเราจะฟังหรือไม่ฟังเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของเรา ไม่ใช่เป็นเรื่องของท่านไม่เป็นใช่เรื่องของพระบระมศาสดาพระบระมศาสดาเป็นชาติกษัตริย์ยอมตนนอนดินกินหญ้าสร้างบารมีมาขนือสัตว์ทั้งหลายออกบางท่านก็บอกว่า เราเป็นคนมีบุญวาสนามีผู้มาสร้างวันทางให้มีผู้มาทำสภาให้บางท่านพูดอย่างนั้นก็ถูกอยู่แต่ไม่ถูกถ้าอย่างนั้นก็บอกว่าเราเป็นผู้มีบุญวาสนามากพระบรมศาสดาเป็นขี้ฆ่าเราสร้างบารมีมาสอนเราถ้าจะพูดอย่างนั้นมันก็จกไม่เป็น เดี๋ยวจะหาว่าพระบรมศาสดาเป็นขี้ข้าเราอีกอะแล้วเป็นคนมีบุญวัดสนามากทานวัดศีลวัดภาวนาวัดก็พระบรมมศาสดามาสั่งสอนเราเป็นคนมีบุญมากแต่อาที่แค่ท่านเมตตาสงสารไม่ใช่เรามีคุณเป็นคนมีบุญมากกว่าท่านแต่เราจะนึกพุทโธคําเดียวไปทั้งจะตายะ ลงตูมเลยถ้าบนด่ากันสอบได้ขั้นเอกใช่ไหมใครก็ยากใครใครก็กลัวใครจะไม่ชนะสันสายรายตาถ้าจะให้วริกรรมพุทธโธถึงคุณราพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพันละเท่าคำลากไม่ทางปลาย พุทธโธลงโออยู่ที่ใจธโมก็ลงโออยู่ที่ใจสังโฆก็ลงโออยู่ที่ใจก็ลงออยู่ที่ใจเหมือนกันก็ลงเออยู่ที่ใจเหมือนกันเพราะมีอยู่ที่นี้เพราะผู้นี้เป็นผู้นึกถึงเพราะผู้นี้เป็นผู้เคารพผู้กิดผู้ใจผู้ไม่มีพระพุทธาศาสนาไม่มีพุทธโธธโมสังโฆอยู่ที่ใจ เรียกว่าใจคนนั้นตกน้ำไม่มีที่เหนี่ยวไม่มีที่เกาะไม่มีที่พึ่งพึ่งมีแต่กิเลสมันชดลากไปยไสยหันขวาหันกำลังหันหน้าเว่งไป ธรรมาอันวัธรรมทั้งหลายมีอยู่ทรงอยู่ที่ดวงใจทรงไห้ซึ่งโลกีเรียกว่าโลกิยธรรมทรงไววถึงโลกุตระเรียกว่าโลกุตระธรรมโลกุตรธรรมถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีเสีหนห้าบริบูรณ์เรียกว่าโลกุตระธรรมโลกิยธรรมบางที ก็นึกถึงบ้างบางทีก็ไปนึกถึง บ, างาดดาางบ้าไม่ผูกขาดในพระพุทธรรมสงค์จากว่าโลกียธรรมไม่ผูกขาดในพระพุทธศาสนาถือผีบ้าง<ม>ถือเทวดาบุตรเทเวดาภายนอกบ้างถือเลิกดียามดีบ้างถือเวทมนตรราคาถาภายนอกบ้างพดถึงพระพระธธรรมปสงค์แล้วถึงแต่พระพุธรรมสงค์สิ่งเดียวถ้าจะสาธยายนมน ก็สาธยายนะโมตัสสะหรืออิสิปิโสสวกาโตเป็นมนในทางพุทธศาสนาไม่ใช่มนในไสยศาสตร์เนี่ยคนเราใจถึงทุกคนใจถึงทางดีก็ได้รับผลดีตามส่วนควรค่าของเหตุที่สร้างขึ้นใจถึงทางทั่วก็ได้รับผลทั่วตามส่วนควรค่าของเหตุที่สร้างขึ้นไม่ได้นี้ไปไหน มีอภินิหารทุกๆคนถ้าทำดีก็มีอภิณิหารไปทางดีถ้าทําชั่วก็มีอภิณิหารไปทางชั่วพระอรหันต์มีอภินิหารไม่มาเกิดแก่เก็บตายออกพระเทวทัตมีอภิเิหารลงนรก ถ้าเราทําชั่วเราก็ไปเหมือนท่านถ้าเราทําดีถ้าเราสร้างบรารมีเห็นโทษในโลกเห็นโทษในโกรธเห็นโทษในหลงชัดแล้วเราก็เว้นเท่านั้นถ้าเรายังไม่เห็นโทษอันไหนมันก็ทําให้อันนั้นเบาบางไม่ได้เห็นโทษในการสนี่จึงพอใจให้ทาน เห็นโทษในการไม่มีศีลจึงพอใจรักษาศีลเห็นโทษในการที่ไม่ภาวนาจึงจะพอใจภาวนาเห็นทั้งคุณทั้งโทษด้วยตนเองจึงเป็นสันติทีิโกเมื่อต้องให้ท่านผู้อื่นมาบังคับ คำสอนพระพุทธศาสนาไม่ใช่คำสอนบางครับเป็นคำสอนชักชวนสมานมิตรสมานฉันต่างหากไม่ใช่คมเหงมิตรดีสหายดีตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วก็กีดกันพ่อดีแม่ดีปู่ย่าตายายดีตอนไหนดีก็ส่งเสริม ตอนในชั่วก teens, ็กรีดกันนั่นนั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พูดนี่อยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พูดและผู้พูดนี้อยู่ที่ไหนใส่ไมโทก็อยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พูดนั่น แต่เกิดมาเนี่ยหายใจเข้าออกกี่ครั้งนับไม่ไหวเสียแลว้วชีพพระเจอจอเดินกี่ครั้งนับไม่ไหวเสียแลว้วถ้าชีพผึ้งจอนไม่เดินจะเป็นยังไงถ้าลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกจะว่ายังไงถ้าลมหายใจออกแล้วไม่เข้าจะว่ายังไงก็สมมุติเล่าว่าตายก็สมมุติว่าบอกว่าตายหายใจเข้าแล้วมาออก ความตายเป็นของสำคัญมากแต่ละชาติแต่ชาติใครจะยั่งยืนสักเพียงไหนกว่าตามที่จบของแต่ละชาติก็คือตายแต่เมื่อกิเลสยังไม่หมดมันก็ไม่จบมันยังจะมาเกิดอีกเล่าถ้ามันมาเกิดอีกเป็นมนุษย์อีกก็เป็นโชคดีที่สุด ถ้ามันไปเป็นสัตว์ติฌานซะลงนรกซะเป็นเปรตอสุรกายซะมันก็ขาดทุนนั่นเหตุฉะนั้นจึงปฏิบัติเพื่อรักษาทุนไว้และเพื่อก้าวหน้าเข้าสู่พระานให้ดับเพลินในวัฏสงสารไปซะเพราะวัฏสงสารเรารู้ดีอยู่แล้วว่า เกิดขึ้นมาแล้วก็เก่ก็เก็บก็ตายเท่านั้นเห็นอยู่ซึ่งหน้านอกและหน้าในาคือหน้าปัญญาจะร่วงพ้นไปไม่ได้มีลูกไม้เพียงเท่านั้นกินแล้วก็ถ่ายมีลูกไม้เพียงเท่านั้นเปิดแล้วก็แก่เก็บตายมีลูกไม้เพียงเท่านั้นส่วนรอบโกรธหลงลูกไม้มันมากและเกินพระมันอยู่ที่ดวงใจ พระใจโงกกว่าความหลงของตนเมื่อใดใจฉลาดเหนือความหลงของตนจึงจะข้ามทะเลหลงไปได้เป็นชั้นๆพระโสดาบันข้ามทะเลหลงหยาบๆไปแล้วไม่ขบศคืนพระตะก a าคามีข้ามไปได้อีก พระอนาคามีข้ามไปได้อีกพระหันข้ามทะเลหลงของเจ้าตัวมดไม่มาหลงอีกไม่เป็นทาาเทงตันหาไม่เป็นทาาเทงความหลงชนะสงครามร่างโลกใครเป็นผู้ชนะพระโสดาบันพระ ส, ระสกทาคามนี่ยชนะไปเป็นตอนๆพระอนาคามี พระอรหันต์เท่านั้นชนะในโลกเหลือนอกนั้นถูกแพ้เวนสนองเวนภัยสนองภัยวนกันอยู่ไม่มีข้างหน้าข้างหลังนั่นนั่น น, น่เรายังไม่เรมใสาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรายังไม่เชื่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เรายังไม่ปฏิบัติตนเพื่อเพื่นทุกนายวัรสงสารจะสำคัญตนว่าฉลาดสักเพียงไหนก็ตามแต่มันก็โง่อยู่ในนั้นเองโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยนะักหนะนอนใจในวัรสงสารนอนล้มฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกัน นอนอยู่ปลายหอกปลายดาบก็มีความหมายอันเดียวกันนอนคาบ่วงยักคอก็มีความหมายอันเดียวกันนกเขานกกระทาเขาเอาน้าใส่กระบอกถอกน้าใส่กระลาสัากเพียงไหนก็ตามไม่นอนใจในกรงขังเลยกินอิ่มแล้วก็เวียนไปเวียนมา พอได้ช่องก็บินปลื้นีไปเลยไม่กลับมาอีกเหมือนหมูเราจะเป็นกรรมฐานหมูหรือจะเป็นกรรมฐานนกเขานกกระทาก็ต้องถามตนดูนั่นสิ่งที่มาหลอกลวงให้เราหลงอยู่ในพระนครหลวงคือใจนี้ เรารู้แล้วหรื อ, อยังถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องพยายามให้รู้พยายามให้ละใจเป็นที่พึ่งของใจพอแล้วหรื อ, อยังเป็นเครื่องอบอุ่นได้แล้วหรื อ, อยังถ้ายังไม่เป็นเครื่องอบอุ่นแล้วจะไปหวังพึ่งที่ไหนหวังพึ่งตามันก็จะ อันตรทานไปหวังพึ่งหูก็นับวันจะหนหกวหวังพึ่งจมูกก็พึ่งไม่ได้หวังพึ่งเล่นพึ่งกายก็หวังพึ่งไม่ได้ใจต้องพึ่งใจต้องปฏิบัติใจแปดหมืนีพระธรรมขันย่นลงมาหาใจนั่นเอง ศีลตัวเดียวสมาธิตัวเดียวปัญญาตัวเดียวอธิศีลสิกขาสิกขาคือศีลยิ่งถ้าใจไม่ยิ่งจะให้ผีตัวไหนมายิ่งอธิกิตตสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งถ้าจิตไม่ยิ่งจะให้ผีตัวไหนมายิ่งอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่งถ้าใจไม่มีปัญญาจะให้ผีตัวไหนมามีนะัก อะไรสกขาก็คือ 3. สามเสี้นสมาธิปัญญาอันทรงอยู่ที่ดวงไใจผู้ท่องเที่ยวในวัดจ้าสงสารก็คือใจที่มันโง่มันหลงมามาท่องเที่ยวความตรึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกความตรึกของพระอรหันต์ไม่ได้เป็นเครื่องสัญจรของโลกเหมือนนกบินในอากาศไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีรอยด้วย จะถ่ายเทปก็ไม่ได้ยาเสพติดของสัตว์โลกก็คือโลคคือโกรธคือหลงถ้าไม่มีโรคโกรธหลงก็ไม่มียาเสพติดนะักนะักนะักต่อสู้โรคโกรธหลงจะต่อด้วยกระสุนปืนก็ไม่ได้ต้องต่อด้วยสติปัญญาต่อสู้ปัญญาในฐานวัดศีลวัดภาวนาวัด พุโทธโธธรมสังโฆวัดเป็นมโนวัดเป็นธรรมวัดเพราะธรรมมีอยู่ที่ใจโอปัญญโกโน้อมเข้ามาหาใจความดีจะมากก็มากอยู่ที่ใจจะน้อยก็น้อยอยู่ที่ใจความชั่วก็เหมือนกันพระวังก็คือระวังใจก็คือใจระวังถ้ามันถูกที่ไหนก็ปล่อยไปถ้ามันไม่ถูกก็ระวัง ระวังตาระวังหูเป็นบุคลาธิฐานอันที่แท้ก็คือระวังใจนั่นเองอดีตคืออะไรใจที่นึกคิดล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรใจที่นึกคิดยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรใจที่นึกคิดกำลังเป็นอยู่นะั่ท่านพระพนไปแล้วท่านเป็นบ่อยของความนึกคิดไหมท่านมาเนเป็นบ่อยของความนึกคิดเพราะท่านมันมีอุปทาน เพราะท่านอยู่เหนือดีเหนือชั่วเสียแลว้วแต่พวกเราดีก็ยังไม่พอชั่วก็ยังละไม่พอจะอยู่เหนือดีเหนือชั่ว ย, ยังไม่ได้คล้ายๆกับว่ามีเงินสองสามตังแล้วไปสมัครเป็นเศรษฐีมันก็เป็นไม่ได้นั่นอดีตคืออะไรคือนิทานเรื่องกายวาจาจใจที่ล่วงไปแลว้วอน า, าคตคืออะไรคือนิทานกายวาจายใจที่ยังไม่มาถึง ปัจจุบันคือนิทานกายวายใจจาใจที่กำลังเป็นอยู่นั่นมีแต่ของเก่าเอสัทัมโมสนันตนโนกระทู้จะมีกี่ล้านกี่แสนก็าตามก็กระทู้กายกระทู้วาจากระทู่ใจนี่เองนิทานจะมีกี่ล้านกี่แสนก็าตามก็นิทานกายนิทานวาจใจ นิทานใจน pues ี่เองน่ะสมัยจะมีกี่สม <men angels, S 2> ัยก็ต่างก็สมัยของกายสมัยของวาจาสมัยของใจถ้าย่นลงมึอลงเป็นงหนึ่งก็สมัยของใจทั้งนั้นถ <ST> <ynthesis> ้าย่นนิทานลงก็นิทานของใจทั้งนั้นถ้าย่นนโมลงก็นโมใจทั้งนั้นถ้าย่นกระทูลงก็กระทู่ใจทั้งนั้นถ้าย่นบาปลงก็บาปใจท่านั้นถ้าย่นบวบุญลง วุ่นใจเท่านั้นถ้าจะย่นมักรองก็เอกมักคือใจเท่านั้นถ้าย่นผลลงก็ผลของใจนั่นที่ทําดีทำชั่วนั่นนั่นนั่นใจไม่ได้อยู่ในหนังสือตตอสจอสลาก็อยู่ที่แต่ละท่านแต่ละคนกายก็ไม่ได้อยู่ที่ตกสอ า, ายอยักษ์ก็อยู่ที่หนังหุ้มอยู่รายรอบ บ า, บาปก็ไม่ได้อยู่ในตัวบอสอาตัวปอถ้ามีก็มีอยู่ที่ไกลถ้าไม่มีก็ไม่มีอยู่ที่ไกลบุญก็ไม่อยู่ในตัวบอสอุต่ตัวยอผู้หญิงถ้ามีก็มีอยู่ที่ไกลถ้ามไม่มีก็ไม่มีอยู่ที่ไกลถ้าไปหาอันอื่น <mis> ก็ยังตื่นไม่พบถ้าไปปฏิบัติอันอื่นก็ยังตื่นไม่เห็นไม่ชัดนั่นจิตตั้งทันตัง้งสุขาหังจิตที่ฝึกฝนตอนใดแล้ว ตอนนั้นยอมเป็นสุขเจตตัดทะตมรมโธสาธุฝึกฝนจิตนั่นแหละเป็นดีเจตตานี้ไม่มุตจริงสูตติดผู้จะรุดพ้นจากโลกโกรธหลงก็คือจิตนั่นเอง ง, น ง, นงันักนนักพูดไปไกลมันก็ไม่ไป พราะผู้พูดก็เอาใจพูดผู้ฟังก็เอาใจฟังพูดไปให้มันถูกที่ไหนมันก็ไม่ถูกมันก็มาถูกผู้พูดกับผู้ฟังเท่านั้นเพราะผู้พูดก็เอาใจพูดผู้ฟังก็เอาใจฟังนั่นในทางดีก็มาถูกนั่นในทางชั่วก็มาถูกนั่นไม่ไปถูกเรื่อ้าอากาศเลยนั่นนันพูดเรื่องฝ้าเรื่อ้าอากาศภายนอกมันก็ไม่รู้อินิวอินิเพราะจิตใจเรานี่เองเป็นผู้พูดเป็นผู้สมมุติ สมมติว่าดินน้าไฟลมเป็นของเราก็ดีก็จิตใจเป็นผู้สมมุตินะ่กหรือไม่ใช่ของเราก็จิตใจเป็นผู้สมมุติขึ้นเป็นจิตใจที่รู้ตามมันจริงเรื่องทําไมมันมีมากมากสิเพราะมันหลงเรื่องมันจึงได้จึงได้เกิดมามีเรื่องถ้ามันเบื่อเรื่องแล้วมันก็ไม่มาเกิดอีกนั่น มนัตเสมิงเปรี้นิบินทติพระอรหันต์ทั้งหลายเบื่อนายคิดใจของตนเองไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลใจก็เป็นแต่สักกว่าใจทำก็เป็นแต่สักกว่าทำมนัตสมิงเปรีนิบินทตินายใจนายผู้ไปหลงใจว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคล จักขุดสมิงเปรีณพินนตินายตานายผู้ไปหลงตาว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลโสตัดสมิงเปรนณีพินนตินายหูเป็นบุคคลาธิกาเพระสำคัญว่าหูเป็นตนตนเป็นหูสัตเทสุเปรนณีพินทตินายเสียงพระสำคัญว่าเสียงเป็นตนเป็นโตเป็นเราเป็นเขาหนัก จักขวิญญาเนเป็นอินสติเข้าใจว่าจักขวิญญาเป็นตนตนเป็นจักขวิญญาณจักขูสัมผัสเสเป็นอินสติเข้าใจว่าจักขูสัมผัสเป็นตนตนเป็นจักขูสัมผัสยำเปทางอุปัชฌติก็เกิดขึ้นสุขขังว่าทุกขังว่าอทุกขามั้ยสุขขังว่ า, ขขวาก็นายทั้งสุขทั้งทุก ทั้งอ ale, vrai, the for them, them. Yes. Unas, ุเบกขาเพระไม่ยืนยันว่าสุขทุกข์อุเบกขาเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขานั่นภูมิของพระรหัตท่านนั่นนกายยัตเสมิงปิณิบินทติท่านก็นายกายโพธเพสุปิณิบินทติท่านก็นายโพธะพระนายที่ตนไปหลงโพธะพระว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขานายกายว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขานั่น เอวังปัดสังพิกขเวสุตวะมนัดสมิงเป็นในวินาทีนายใจที่ไปยืนยันว่าใจเป็นตนตนเป็นใจไปนายทํายืนยันว่าธรรมเป็นตนตนเป็นธรรมธรรมชั้นสูงของท่านพระพุทไปแล้วเอวังดังนี้แลยปัดสังพิกเวสุตวะอริยะสาวกโกอริยะสาวกทั้งหลายได้ทราบแล้ว ก็นายหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันตาหูจมูกเลี้ยงกายใจในอดีตตาหูจมูงเลี้ยงกายใจในอนาคตตาหูจมูกเลี้ยงกายใจในปัจจุบันรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะธรรมารมในอดีตรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะธรรมารมในอนาคตรูปเสียงกลิ่นรสผดถับพระธรรมารมในปัจจุบันรูปขันนามขันในอดีตรูปขันนามขันในอนาคตรูปขันนามขันในปัจจุบัน องค์ท่านเหล่านั้นรู้ตามเป็นจริงด้วยไม่หลงไปยิดไปถือว่าเราว่าเขาว่าสัตว์ฟ้าบุคคลด้วยนั่นเหตุฉะนั้นพิษทั้งหลายมันก็ดับอยู่ณที่นั้นเองวิญญาณปฏิสนธิมันก็ดับอยู่ณที่นั้นเองวิญญาณดับไปก่อนนามรูปจึงดับไปณที่นั้นเองนั่นเมื่อนายวิญญาณแล้วนามรูปก็นายไปป้อมกันเลยนายที่ กิเยสเคยไปหลงว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั่นเองนั่มนั่มน่มนั่มหลงโลกก็คือหลงโลกตาโลกหูโลกจมูกโลกลิ้นโลกกายโลกใจรู้เท่าโลกก็รู้เท่าตารู้เท่าหูรู้เท่าจมูกรู้เท่าลิ้นรู้เท่ากายรู้เท่าใจรู้โลกนี่ว่าเป็นโลกหกว่าเป็นโลกสามโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบัน มาเป็นโอกสามอีกกายวาจาใจอีกนั่นทำแท้มันมีมากทำไมมันมีมากเพราะกิเลสมันมีมากรัดทางหนึ่งมันก็ไปทางหนึ่งรัดทางหนึ่งมันก็ไปทางหนึ่งถ้ากิเลสม่มากมันก็มาด้รัดมากนั่น กังขาวิตรณวิสุทธิความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยไม่สงสัยในไตรโลกธาตุเลยมีแต่เกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนและแตกสลายเท่านั้นเธอจะมาลูกไมมละเอียดสักเพียงใดก็ตามก็มีแต่เกิดขึ้นแล้วแปรปวนและแตกสลายไปเท่านั้นล่วงไปล่วงไปเท่านั้นนั่น พูดมาหานี่้วก็น้อยที่สุดเพราะหารลงมาแล้วหารลงมาหาใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างใจไปใส่ชื่อหรือนามมดตามเป็นจริงของสมดุด ถ้าใจไม่หลงจะให้ใครหลงถ้าใจไม่รู้เท่าใจจะให้ใครมารู้เท่าใจถ้าใจไม่ทำผิดจะให้ผีตัวไหนทำผิดถ้าใจไม่ทำถูกจะให้ผีตัวไหนทำถูกนั่นใจเป็นผู้ไข่ใจเขาเป็นผู้กระตากผู้ตัวไหนใครตัวนั้นกระตากาไปมาตัวนั้นก็ฟักเอาละบอกไว่า ฝักออกมาเป็นกิเลสผู้รู้ตามท้าบอกฟักออกมาเป็นถ้ำเป็นบุญเป็นกุศลนั่นถือต้มตุนถูกต้มตุนกิเลสมาหลายชาติหลายภพมาเรียนวิชาเค็ดหลาบในวัดตาสงสารนะไม่ใช่มาเรียนวิชาเพื่อจะพ่มเพิ่มโลภเพิ่มโกรธเพิ่มหลงมาเรียนวิชาต่อสู้ กับกองทัพโลกทัพโกรธทัพหลงพระหัตท่านชนะชนะไปแล้วชนะสงครามร่างโลกไปแล้วแต่พวกเราอย่างไม่ชนะถูกแพ้อยู่นับสิบไม่ลุกพูดถึงพระสวสดาวันนับสิบลุกต่อโซ่อีกถ้ายังไม่ถึงนะพระสวสดาวันนับสิบไม่ลุกนั่นนนั่น เสียดายลงระเมิดส้นห้ายอยู่ก็นับสิบไม่รุกเสียดายอย่างเล่นอบายยมุขอยู่ก็นับสิบไม่รุกเสียดายยากรมาท่องเที่ยวในวัดตาทองศาลอยู่ก็นับสินไม่รุกอีกเหมือนกันนี่หมายความว่าผู้สร้างบารมีแก่กามาแล้วน่ ผู้เห็นภัยในวตาท้องสารจะทำตัวไม่รู้อีหนูอินีมันก็ไม่เป็นที่สบายนั่นกำไรใครขอก็คือมโนภาพนั่นเองขอขึ้น ทางทางชอไม่มีใครมาแย่งทำเลยและก็ไม่มีใครมาแย่งรับผลอีกนักนักนัก็่าเป็นพอ่อแล้วว่าเาไปใช้เมืไปไหร่เนี่ยมันมาหาผู้ฟังผู้เทศน์นอ่ะแ เอาป่ะเอาเลย่ะเอาลนะไหน่ะสามโมงเลยวะทิพ่ฮะฮะเอาให้ผู้ใดสิบอกเอียงกมาเอ้รบารเนี่เอ้าอกผู้เดียวได้เมื่อยเว้ยบอปล่ยไ้ม่กลับมาปล่อยมันมาหาผู้บอาผู้ว่ง พระตไตรพิรุกบรรยูนำภูว์ออกก็ผู้ฟัง่งบรรยูนำตู้ได้เดี๋ยวเนี่ยขาสองแขนสองห่วงหนังหู่ยูสุก้นพระตไตรพิรุกบรรยูนี่ว่ามีคนอื่นมันก็มาถึงที่ว่างไหนวมันอยู่ในหนังสือปุ่นอันนั้นตำราบอก ปฏิบัติเพื่อผ่นทุกข์ในวัตาะสงสารผ่อนปัญหาวันจังบหลายควมปัต น, นาวันจังบหลายปัต น, นาเป็นเทพเทพระพุทธเทพพระดาพระเอ็นพระพมพยมพระการยักษ์โกโตกะบาลทั้งที่นั่นแหละปัต น, น, นาตายต้องการตายอีก ต้อการเกิดก็ต้องการตายเองคนที่เท่าพันนี้ยังบรหันหนาต่อพันนี้พานเหตุยังไงมันจังสิได้จองขี้ไวายบนพ้นทุกน้ำตาท้องสารพันจองเกจตาตหน้าวายคนนี้เป็นขี้ขาตาขี้ขาหูอยู่นี่หร เป็นขี้ปากขาปากขี้ขาท้องนี่นีวะเป็นขี้คายืนเป็นขี้คานั่งเป็นขี้คานอนเป็นขายขี้คานึกเป็นขี้าคิดอนี่ไงะเป็นขี้ขาหายใจเขาออกนี่ยเป็นเป็นขี้คายืนเป็นขี้คานั่งเป็นขี้คานอนเป็นขายขี้คานึกเป็นขี้าคิดอนี่ไงะเป็นขี้ขาหายใจเขาออกนี่ย เป็นขี้ขาเกียดเป็นขี้ขาปวดเป็นขี้ขาได้เป็นขนีน้ขาเสียเ ป, นเปน็นขี้ขาดีเป็นขี้ขาซัวเต้นคืนว่าขาเป็นบ่วงพระกำมําเข้าบ้านมึงไม่น่ากินหัวโต๊ะกระแกงนกแ ก, ง, แกงกระไรมึงไม่น่กินข่าว่ามีเงินทองนันนี่มัเป็นนั่งกองทุกข์เห็นบอก นผยพอเห็นทุกข์ผนันมนพน้นทุกข์ได้หรอ่ามันชนายทุกข์วะนายจะขอผู้ไปลมทุกข์เห็นพ่อก็ร้มงห้ใจเขาออกแห่งดีหลายมันเพื่อนผู้ดังไปเงียบไปเงียบด้วยมันพอเห็นทุกข์กันที่คอมัน เงินไม่ได้แม่งกูว่าอะไรเธอสูกูเพราะวันถ้ามันเสียไปนางเหี้ยวแมวแต้ยวมู่ห่อคนฉี่โง่จะมาท้องเตี้ยววตาสามนี่ยเนี่วกหอมมู่ห่อเ็คนีโง่่ ผู้พันสลาทพไปเวิร์ตผู้พมาเคือป่าคอฝนตกยอดเดือนแปดเดือนเก้ามาเขาไปเฮตตอนมันโมย่อเขาไส้ไฟมันเต้นขบคู่ไปมันปลารูกมันถิ่มไ้นี่คือกันแะผู้พนสลาเพิ่งกับปาหมู่เฮ้างโง่ไปเพิ่กับไปเมื่อไหเขาช่วันได้พล่ดหือยังจะพวกขี่โงล่ลรืหมู่เฮ้างัดถ้าจะแอบกินน้ขี่งโง่อยู่ในบอกงัก อน่าโคตการนั้นเถิดพราว่าจะจีโคตไปตายยังกับเรากันดีอะได้เดียวนี่ผมมีภูดายวาจะโครนีอนาโคตการนั้นเถิดเราว่ามันเป็นอย่งจรงว่าของกิเลสผ้าวามันยันนี้จากมันกิเลสคนว่าเห้พ้นทุกข์ในปัจจุบันนี้ซาตินแ้ว่านโอยเมื่อพ้นก็แปลว่าปฏิกิริยาเซกันขึ้นพ้นเมื่อพ้นก็ว่ามันจะพิสัยไม่นั่นท่าน มนพ่นดอกไม่เพราะว่าคัดข้อกันพ่นพ่นกับว่ามันจะเพลียเ้รอคิดว่าเขาแยกงานเปล่ามาให้แล้วมือนี้ย่างมืออื่นมือหื้อ ม, มือหนึ่งมือตึงมือหนึ่งเขาถวยผย่างมาแล้วออเฮ็ดแล้วไม่ได้มือนี้เด้่งานเท่าไหร่มันยังม่แล้วเนี่ยือถือว่าอนาคตการอนาคตการนั่นเธอนกิสัตวหนักอนาคตการเกิดสัตวหนักอนาคตการเป็นเาโคตเพื่อเท่านั้นนั่นนั่นนั่น ปัจจุบันันจะโยธรรมะผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันโลกทั้งหลายเอามารวมในปัจจุบันแล้วสังขารทั้งหลายเอามารวมในปัจจุบันแล้วทุกทั้งหลายเอามารวมในปัจจุบันแล้วอนิจจังทั้งหลายเอามารวมในปัจจุบันแล้วเห็นชัดในปัจจุบันแล้วอดีตอนาคตจะไปสงสัยทําไหมนั่นนั่นั่นโลคทั้งหลายรวมมาในปัจจุบันนรกแล้วทุกทั้งหลายรวมมาในปัจจุบันทุกแล้วนั่น อดีตทุกที่ล่องไปอนาคตทุกอย่างไม่มาถึงปัจจุบันทุกเป็ น, ปนกำลังเป็นอยู่ทั้งเขาทั้งหนังด้วยได้ตัวด้วยนั่นะักนะนะั่ถ้าอย่างนั้น ม, มีท่านผู้ใดจะข้ามความหลงของตนไปได้ก็ต้องถูกต้มความหลงของตนอยู่นั่นเลยเมื่อเห็นชัดในปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นพยานเอกแล้วอดีตอนาคตก็ไม่ต้องมาต้มตนตนเองนั่นนั่นัน่ น, น, น ยะถาวาทิวาภุราบริภูเรนติสากรารเรวเมวอิโตทินนังเปตานังอุปกปฏิยิจิตังป จ, จิตังตุมหางเสพอเมวสมมตสตุสเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิโยวิวัตชันตุสัพปุขโขสัพพโยสัพโรโขวินัส สัตตมาเตผวตตวันตรายสุขีตีคายุโกเพราะว่าอภิวาชนะสีนิสานิจังวุฒาปยาเยนจัตตารูธรรมาวัันติอายุวันูสุขังพระลังพระลังให้มีกำลังในพระนิพพานสุขขังให้เป็นสุขในพระนิพพานอายุให้มีอายุในพระนิพพานเพราะอายุในพระนิพพานไม่มันไม่มีประมาณเชแล้วอายุในวัฏจักรสงสารมันมีประมาณนั่นนั่นนั่นนั่นอ๋ กินเขาก็เพิ่มธาตุดินกินน้ำเพิ่มธาตุน้มหายใจเข้าออกเพิ่มธาตุร่มผมผ่าอบอุ่นผมเพิมธาตุไฟนึกไปทั้งบุญเพิ่มบุญนึกไปทั้งบาปเพิ่มบาศ นึกไปได้ทั้งบนก็นเพิ่มได้ทั้งบุ ญ, เ พ, มมบญเพิ่มเสมอเสมอบุญก็เพิ่มเติมเขาเติมเขาผู้ถืออาไม่ไม่บาปไม่บุญเมื่อกคือสร้างบุญด้วยเสมอผู้ถือบ่ไม่บาปไม่บุญสร้างบาปด้วยเสมอสร้าง ม, มื่อด้วยเสมอหน่อยว่ารู้ตัวความประสงค์ของมนุษย์ มีอยู่อย่างเดียวคือต้องการความสุขแนวอื่นบรบบมีข้ามาทุกข์่าจากไดนยินความสุขจะเกิดมากเกิดมาโดยบุญสุขโขบปุญญสะอุจโยความสะสมแห่งบุญนำมาซึ่งสุขทุกข์โขปาปัสะอุจโย ความสะสมแห่งบาปนำมาซึ่งทุกข์พระพุทธศาสนาบัญญัติว่าบุญทูตไม่พระพุทธเจ้าองค์เดียวน่ะชิมาหลายองค์กับแม้นพระพุทธเจ้าองค์เดียวชิมาตั้งอสองไขมากก็ไม่ทีไม่ใท่าในท้องมหาสมุทรลอยโกรธมหาสมุทรกับแม้นพระเจ้าองค์เดียวเพราะเป็นค้าสอนอันเดียวเมืเ่อใดลบเมืเ่อใดเลือน ไ่ได้ตั้งพ่อราบอกไหมพระราชชาบัญญัติพระเวไนยพระธรรมเวไนยอันเดียวกันเพลงเลยตั้งไม่ตั้งเป็นอันเดียวกัน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 สัตว์ทั้งหลายในใจโลกธาตต้องการสุขทุกตัวสัตว์ถึงจะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติเอาสุขก็ตามแต่ความต้องการก็มีจะบัญญัติสุขเป็นหรือไม่เป็นก็ตามก็ต้องการสุขนกหนูปูปีกเมื่อเห็นดาวไปมันบินหนีมันรักความสุขของมันมันเกรงว่าจะไปทำให้ทุกข์ให้มันกบเขียดก็เหมือนกันมันก็โดดลงเพราะมันรักสุกมันเกรงจะไปเบียดเบียนมันน่ เหตุฉะนั้นซิกขาบทตัวปาณาติบาตจึงเป็นมีคุณค่ามากรักใดในโลกไม่เท่ารักตนเองรักตนรักใจรักตนรักศาสตรรักพวกรักชาติรู้จักคนดีรู้หนีคนพ่าน รู้จักใช้จ่ายยาใช้ฟูมฟลยตรงจงกองหมากบันมันเพียนแก้ไขเราเกิดมาแก้มาแก้ตัวเราแก้ให้ถูกทางแก้กิตแก้ใจนอกแก้ใจไม่มีอะไรจะไปแก้ใจ นอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะรู้เท่าใจนอกจากใจก็ไม่มีใครจะประสงดีนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะปฏิบัติใจตาหูจมูกเลี้ยงกายมันไม่รู้อหนโวอินีนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะมีความหวังความหวังใจความหวังดีนั่นเองเพราะดียังไม่พอถ้าดีพอแล้วก็เข้าสู่พระานไปซัก